หนปนัตติวาละนิเทศหนึ่งปทัสโสธนวานอันลม94้าสิอันล้มปุชชาจะขุเป็นจะขุนสีใช่ไหมวิสัชนาที่เป็นจักคุปัญญาจะขุเป็นจะขุแต่ไม่เป็นจะขุนสี่จะขุนสีเป็นจะขุก็ใช่เป็นจะขุนสีก็ใช่ปฏิโดมปุชชาจะขุนสีเป็นจะคุใช่ไหมวิทัชนาใช่ อนุโลมปุชชาโสตเป็นโสตินทรียใช่ไหมวิจัดชนาทิพโสตะตันหาโสตเป็นโสตแต่ไม่เป็นโสตินรียโสตินรีย์เป็นโสตก็ใช่เป็นโสตินรียก็ใช่ปฏิโดมปุชชาโสตินทรีย์เป็นโสตใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาคานะเป็นคานินสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุชชา คาณินินรีเป็นคาณะใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาชิวหาเป็นชิวหินรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชิวหินรีเป็นชิวหาใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉากายเป็นกายยินรียใช่ไหมวิจัดชนาเว้นกายยินรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายยินรีย กายยินทรียเป็นกายก็ใช่เป็นกายยินทรียก็ใช่ปฏิโดมปุชฌากายยินทรียเป็นกายใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌามโนเป็นมนินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชฌามนินทรียเป็นมโนใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาอิทีเป็นอิทถินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ ปฏิโมปุชชาอิทธิสินสีเป็นอิทธิใช่ไหมวิจารณาไม่ใช่อนุโลมปุชชาปุริสะเป็นปุริสินสีใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาปุริสินสีเป็นปุริสะใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุชชาชีวิตเป็นชีวิตินสีใช่ไหมวิจารณาใช่ปฏิโลมปุชชา ชีวิตินทรีย <cha> mm. yeah. ์เป็นชีว e. ิตใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสุขเป็นสุขหินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสุขหินรียเป็นสุขใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขเป็นทุกหินรีใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาทุกหินรีเป็นทุกใช่ไหมพิจัชนาใช่ อนุโลมปุจฉาโสมนัสเป็นโสมนัสสินสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินสีเป็นโสมนัสใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาโทมนัสเป็นโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโทมนัสสินสีเป็นโทมนัสใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุชชาอุเบกขาเป็นอุเปกขินสีใช่ไหมวิจัดชนาเว้นอุเปกขินสี SI แล้วอุเบกขาที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอุเปกขินสีอุเปกขินสีเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอุเปกขินรีก็ใช่ปฏิโลมปุชชาอุเปกขินรีเป็นอุเบกขาใช่ไหมพิจัดชนาะใช่อนุโลมปุชชาศรัทธาเป็นศรัทธินรีใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสัตินรียเป็นสัทธาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาวิริยะเป็นวิริยินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาวิริยินรียเป็นวิริยะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาสติเป็นสตินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุชฌาสตินสีเป็นสติใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาสมาธิเป็นสมาธินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาสมาธินสีเป็นสมาธิใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาปัญญาเป็นปัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาปัญญินสีเป็นปัญญาใช่ไหมวิจัชนา ใช่อนุโลมปุชฌาอนันย์ตัญญสามีติเป็นอนัญญาตัญญสามีตินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอนัญย์ตัญญัสามีตินรียเป็นอนัญญาตัญญัสามีติใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาอัญญะเป็นอัญญินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอัญญินรียเป็นอัญญะใช่ไหม วิเศษชนาะใช่อนุโลมปุจฉาอัญญาตาวีเป็ น, ญญาานนะปอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิเศษชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอัญญาตาวินสีเป็นอัญญาตาวีใช่ไหมวิเศษชนาะใช่ปัจจณิกะ9ก้าห้าอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจกักขุไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิเศษชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรม hey. ที่ไม่เป็นจักขุนสีไม่เป็นจักขู่ใช่ไหมวิจัดชนาที่พระจักขูปัญญาจักขุไม่เป็นจักขุนสีแต่เป็นจักขุเป็นจักขูและจักขุนสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจัก <zum> ข <gives sti> ูก็ใช่ไม่เป็นจักขุนสีก็ใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตินรีไม่เป็นโสตะใช่ไหม วิจัชนาะที่ประสตะตันหาโสตะไม่เป็นโสตินสีแต่เป็นโสตะเว้นโสตะได้โสตินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นโสติ น, ต น, ต น, ตตน ร, รีก็ใช่นนใชอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานินทรียไม่เป็นคานะใช่ไหมวิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม <t understanding> ่เ <fi> ป็นชิวหาไม่เป็นชิวหินรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวหินสีไม่เป็นชิวหาใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายินรียใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายินรีไม่เป็นกายใช่ไหมวิจัดชนา เว้นกายยินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายยินรียแต่เป็นกายเว้นกายและกายยินทรียแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายยินทรียก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนินทรีย์ไม่เป็นมโนใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมบุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอิทธินสีใช่ไหมวิจัชนาอิทธินสีไม่เป็นอิทธิแต่เป็นอิทธินสีเว้นอิทธิและอิทธินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอิทธินสีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธินสีไม่เป็นอิทธิใช่ไหมวิจัชนาอิทธิไม่เป็นอิทธินสีแต่เป็นอิทธิ เว no ้นอิทธิและอิทธินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอิทธินิีก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นปุริสินสีใช่ไหมวิจัชนาปุริสินสีไม่เป็นปุริสะแต่เป็นปุริสินสีเว้นปุริสะและปุริสินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นปุริสินสีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที no uh. que, uh Listen, know, ่ไม่เป็นปุริสินสีไม่เป็นปุริสะใช่ไหมพิจัชนะปุริสะไม่เป็นปุริสินสีแต่เป็นปุริสะเว้นปุริสะและปุริสินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นปุริสินสีก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตินรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตินทร์สีไม่เป็นชีวิตใช่ไหมวิจารนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขหินรีใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขหินรีไม่เป็นสุขใช่ไหมพิจารนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขหินรีใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโดมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกขินิสัยไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัตไม่เป็นโสมนัตสินสีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัตสินสีไม่เป็นโสมนัตใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัตไม่เป็นโทมนัตสินสีใช่ไหมพิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสสินสีไม่เป็นโทมนัสใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบขาไม่เป็นอุเบกขินสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชชาสภาวธร um รมที่ไม่เป็นอุเบกขินรีไม่เป็นอุเบขาใช่ไหมวิจ be be ัดชนาเว้นอุเบกขินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกขินสีแต่เป็นอุเบขา เวนุเบกขาและอุเบกขินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาก็ใช่ไม่เป็นอุเบกขินรีก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นศรัทธินรีใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธินสีไม่เป็นศรัทธาใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นวิริยินรีใช่ไหม พิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยินทรีย์ไม่เป็นวิริยะใช่ไหมพิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินรีย์ใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสตินรียไม่เป็นสติใช่ไหมพิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาถินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาถินรีย์ไม่เป็นสมาธิใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญินรียไม่เป็นปัญญาใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที ina, is, ่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสสามีติไม่เป็นอนัญญาตัญญสสามีตินทรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญัสสามีตินรียไม่เป็นอนัญญาตัญญสสามีติใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญยะไม่เป็นอันยินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญินทรียไม่เป็นอัญยะใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอนาตาวินสีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีไม่เป็นอนาตาวีใช่ไหมพิจัชนาใช่ 2. ประทัดโสธนมูลจักรวาลอนุโลม 96. อนุโลมปุชฌาจักขู่เป็นจักขุนสี่ใช่ไหมวิจัตชนาทิพจักขุ่ปัญญาจักขู่เป็นจักขุ่แต่ไม่เป็นจักขุนสี่จักขุนสี่เป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนสี่ก็ใช่ปฏิโดมปุชฌาอินสีเป็นโสตินสีใช่ไหมวิจัตชนาโสตินสีเป็นอินสีก็ใช่เป็นโสตินสีก็ใช่อินสีที่เหลือเป็นอินสีแต่ไม่เป็นโสตินสี อนุโลมปุชชาจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาที่ประจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นคาอินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาคาอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นคาอินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นคาอินทรียอนุโลมปุชชา จักขู่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาที่ประจักขูปัญญาจักขุ่เป็นจักขูแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาอินรียเป็นชิวหินสีใช่ไหมวิจัชนาชิวหินสีเป็นอินรียก็ใช่เป็นชิวหินรีก็ใช่อินรีที่เหลือเป็นอินรียแต่ไม่เป็นชิวหินสีอนุโลมปุชฌา จักขู่เป็นจักขุนรี่ใช่ไหมวิจัชนาที่ปัจจคุปัญญาจักขูเป็นจักขู่แต่ไม่เป็นจักขุนสี่จักขุนสี่เป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนรี่ก็ใช่ปฏิโดมปุชชาอินรีย์เป็นกายินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนากายินรี่เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นกายินทรี่ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรี่แต่ไม่เป็นกายินรี่อนุโดมปุชชาจักขู่เป็นจักขุนรี่ใช่ไหมวิจัชนา ที่ปัจจุปัญญาจักรุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักรุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นมะินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนามะนินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นมะนินทรียก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินรียแต่ไม่เป็นมะนินทรียอนุโลมปุชฌาจักรุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัตชนาที่ปัจจคุปัญญาจักรุเป็นจักรุ แต่ไม่เป็นจักขุนสี่จักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นอิทธินรีใช่ไหมพิจัดชนาอิทธิินรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอิทธินรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอิทธินสีอนุโลมปุชฌาจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมพิจัดชนาที่ปัจจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสี จักขุนเป็นจักขูก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นปุริสินสี่ใช่ไหมวิจัชนาปุริสินสี่เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปุริสินสี่ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปุริสินสีอนุโลมปุชฌาจักขู่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาที่จักขู่ปัญญาจักขู่เป็นจักขู่แต่ไม่เป็นจักขุนสี่จักขุนสีเป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ ปฏิโรมปุจชัลอินทรีย e ์เป็นชีว hey! ิตอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาชีวิตอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชีวิตอินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นชีวิตอินทรียอนุโลมปุจชัลจะขูเป็นจกขุนซีใช่ไหมวิจัชนาที่ประจักขูปัญญาจะคูเป็นจกขูแต่ไม่เป็นจกขุนซีจกขุนรีเป็นจกขูก็ใช่เป็นจกขุนรีก็ใช่ปฏิโลมปุจชัล อินทรีเป็นสุขินรีใช่ไหมวิจัดชนาสุขินรีเป็นอินทรีก็ใช่เป็นสุขินสีก็ใช่อินทรีที่เหลือเป็นอินทรีแต่ไม่เป็นสุขินรีอนุโลมปุจฉาจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาที่เป็นจักขูปัญญาจักขูเป็นจักขูแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขูก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิรลมปุจฉา อินทรีย์เป็นทุกขินทรีใช่ไหมวิจัดชนาทุกขินทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นทุกขินทรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นทุกขินทรีอนุโลมปุจฉาจักขู่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัดชนาที่ปัจจักขู่ปัญญาจักขู่เป็นจักขู่แต่ไม่เป็นจักขุนทรีจักขุนทรเป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนทรีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นโสมนัตสินทรีใช่ไหมวิจัดชนา โสมนัสสินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโสมนัสสินสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสมนัสสินสีอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจชนาที่เป็นจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโดมปุจฉาอินทรีย์เป็นโทมนัสสินสีใช่ไหม วิจัตชนาโทมนัสสินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโทมนัสสินรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีแต่ไม่เป็นโทมนัสสินรียอนุโรมปุชชาจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัตชนาที่พระจักขูปัญญาจักขูเป็นจักขูแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนรีเป็นจักขูก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่ปฏิโรมปุชชาอินทรีย์เป็นอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนา อุเปกขินรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอุเปกขินรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีแจะไม่เป็นอุเปกขินรีอนุโลมปุจฉาจักขู่เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจัชนาที่ปจักขุปัญญาจักขุ่เป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนรีเป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นสัจทินรียใช่ไหมวิจัชนา สัตถ um um no hm ินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสัตทินรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสัตทินรียอนุโลมปุชชาจักขู่เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจัชนาที่จักขู่ปัญญาจักขู่เป็นจักขู่จะไม่เป็นจักขุนสีจักขุนรีเป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนา วิริยินทรีย์เป็นอินทรียก็ใช่เป็นวิริยินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นวิริยินทรียอนุโลมปุชชาจักขุเป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจัชนาที่ปัจจคุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนรีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่ปฏิโลมปุชชาอินทรีย์เป็นสตินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาสตินรียเป็นอินทรียก็ใช่เป็นสตินรีย์ก็ใช่ อินทรีที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสตินทรียอนุรมปุชฌาจักขุเป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัชนาที่ปจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนทรีจักขุนทรีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนทรีก็ใช่ปฏิโรมปุชฌาอินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาสมาธินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสมาธินทรีย์ก็ใช่ อินทรียที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสมาธินทรียอนุโลมปุจชาจักขู่เป็นจักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาที่ปจักขูปัญญาจักขู่เป็นจักขู่แต่ไม่เป็นจักขุนรีจักขุนรีเป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่ปฏิโลมปุจชาอินทรียเป็นเป็นปัญญินทรียใช่ไหมวิจัชนาปัญญินทรียเป็นอินทรียก็ใช่เป็นปัญญินทรียก็ใช่ อินทรีที่เหลือเป็นอินทรีแต่ไม่เป็นปัญญินทรีอนุโลมปุชฌาจักขู่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาที่ประจักขู่ปัญญาจักขู่เป็นจักขู่แต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขู่ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรียเป็นอัญญาตายัตสามีตินทรียใช่ไหมวิจัชนา อนัญญาตัญญสสามีตินรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอนัญญาตัญญัสสามีตินรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอนัญญาตัญญัสสามีตินรียอนุโลมปุจชาจะขู่เป็นจักขุนสีใช่ไหมพิจชนาที่ปัจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิโลมปุจชา อินทรีย์เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมพิจารนาอัญญินทรียเป็นอินท ร, รีย์ก็ใช่เป็นอัญญินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอัญญินทรีอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขุนรีใช่ไหมพิจัชนาทิปจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนรีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่ ปฏิรมปุชฌาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัดชนะัญญาตาวินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินสีก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินรีแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีเกอนุรมปุชฌาโสตะเป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาที่ปโสตะตันหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตินรียโสตินทรีย์เป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตินทรีย์ก็ใช่ ปฏิโรมปุชชาอินทรียีเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาจักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์จะไม่เป็นจักขุนสีละอนุโลมปุชชาโสตะเป็นโสตินทรียใช่ไหมวิจัดชนาทิพโสตะตานหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตินรียโสตินรียเป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตินรียก็ใช่ปฏิโลมปุชชา อินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีใช่ไหมวิจัดชนาอัญญาตาวินทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินทรีก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีเก้อนุโลมปุชขาานะเป็นคาอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชขาอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัดชนา จักขุนรีเป็นอินรียก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่อินรียที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนรีและอนุโลมปุจฉาคานะเป็นการอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอัญยาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอนญาตาวินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินรียแต่ไม่เป็นอนญาตาวินรียก9าอนุโลมปุจฉา ชิวหาเป็นชิวินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นจักขุนรีใช pues ่ไหมวิจัชนาจักขุนรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนรีและอนุโลมปุชฌาชิวหาเป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนา ัญญาตาวินศีเป็นอินศีก็ใช่เป็นัญญาตาวินศีก็ใช่อินศีที่เหลือเป็นอินศีแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินศีหนึ่งร้อยอนุโลมบุจชฉากายเป็นกายินศีใช่ไหมวิจัติชนะเว้นกายินศีแล้วกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายินศีกายินศีเป็นกายก็ใช่เป็นกายินศีก็ใช่ปฏิโมปุจฉา อินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมพิจัชนาจักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอ <ER ินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีละอนุโลมปุจฉากายเป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาเว้นกายอินทรีย์แล้วกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายอินทรีย์กายอินทรีย์เป็นกายก็ใช่เป็นกายอินทรีย mhm ์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิจัชนะอัญญาตาวินศีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินศีก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินทรียจะไม่เป็นอัญญาตาวินศีหนึ่งร้อยเอ็ดอนุโลมปุตชามโนเป็นมณินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุตชาอินทรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจัชนาจักขุนรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินทรียจะไม่เป็นจักขุนรีและ อนุโลมปุจฉามโน pues, เป็นมนนิทรีย์ใช่ไหมวิจ nah ัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนะัญญาตาวินรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรีย์ก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินทรีแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีร้อยสองอนุโลมปุจฉาอิทธิเป็นอิทธินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ ปฏิรูปุชฌาอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาจักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีละอนุโลมปุชฌาอิตถีเป็นอิตถินสีใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโรมปปุชฌาอินทรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัดชนะัญญาตาวินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินสีก็ใช่ อินทรีที่เหลือเป็นอินทรีจะไม่เป็นัญญาตาวินทรีหนึ่งอสอนุลมปุจฉาปุริสะเป็นปุริศินทรีใช่ไหมวิสัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีเป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัดชนาจักขุนทรีเป็นอินทรีก็ใช่เป็นจักขุนทรีก็ใช่อินทรีที่เหลือเป็นอินทรีต่ไม่เป็นจักขุนทรีละ อนุโลมปุจฉาปุริศเป็นปุริสินสีใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัดชนาอัญญาตาวินสีเป็นอินทรียก็ใช่เป็นอัญญาตาวินสีก็ใช่อินรียที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีหนึ่งร้อยสี่อนุโลมปุจฉาชีวิตเป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา อินทรีเป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจัชนาจักขุนรีเป็นอินทรีย์ ah! ก็ใช่哈哈เป็นจักขุนรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต ja ่ไม่เป็นจักขุนรีและอนุโลมปุจฉาชีวิตเป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรียเป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนะัญญาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย หนึอนุโลมปุจฉาสุขเป็นสุขขินรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ละหนึอนุโลมปุจฉาทุกเป็นทุกขินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ละหนึอนุโลมปุจฉาโสมนัสเป็นโสมนัสสินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ละหนึอนุโลมปุจฉาโทมนัสเป็นโทมนัสสินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ หนึ่งรอยเก้าอนาโลมปุชชาอุเปกขาเป็นอุเปกขินรีใช่ไหมพิจาชนาเว้นอุเปกขินรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอุเปกขินสีอุเปกขินรีเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอุเปกขินรีก็ใช่ปฏิโลมปุชชาอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมพิจาชนาจักขุนสีเป็นอินทรียก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นจักขุนสีและ อนุโลมปุจฉาอุเบกขาเป็นอุเปกขินรีใช่ไหมวิจัชนาเว้นอุเปกขินรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอุเปกขินรีอุเปกขินรีเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอุเปกขินรีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาัญญาตาวินทรีย์เป็นอินรียก็ใช่เป็นอัญญาตาวินทรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินรีย ห <110 S 2> นึร้อยนุโลมปุจฉาศรัท <ia> ธาเป็นสัตินสีใช่ไหมวิจัชนาะใช่และ111อนุนโลมปุจฉาวิริยะเป็นวริยินสีใช่ไหมวิจัชนาะใช่และหนึอนุโลมปุจฉาสติเป็นสตินสีใช่ไหมวิจัชนาะใช่และ113อยสิมอนุโลมปุจฉา สมาธิเป็นสมาธินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละหนึ่งอสสี่อนุโลมปุจฉาปัญญาเป็นปัญญินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละหนึ่งอสิบห้าอนัญญาตัญญัสามีติเป็นอนัญญาตัญญัสามีตินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละหนึ่ง้อยสิหอนุโลมปุจฉาอัญญะเป็นอัญญินีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ หนึ่งอเจอนุโลมปุจฉัลาัญญาตาวีเป็นัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉัลาินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาจักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์จะไม่เป็นจักขุนสีและอนุโลมปุจฉัลาัญญาตาวีเป็นัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉัา อินทรีย์เป็นอัญญินทรีใช <czego> <et> i, imo, ่ไหมพิจชนาอัญญินทรีเป็นอินทรียก็ใช่ไม่เป็นอัญญินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นอัญญินทรียปจจณิกะหนึ่งร้อนุโลมปุจฉาหนึ่งร้อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมพิจชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที inc, inc, an, an, lotus, an, ่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นคาอินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที aku, aku, an, an, ่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชีวินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขคุไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกายินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขคุไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่ ปฏิโดมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนตรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนตรีใช่ไหมพิจัชนาใช่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 ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสุขขินสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นทุกขินรียใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนสีช نا, ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉา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 ปฏิโรมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาะใช่อนุโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจกักขุไม่เป็นจกักขุนตรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นสตินตรียนะ์ใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจกักขุไม่เป็นจกักขุนตะรีใช่ไหมพิจัชนาใช่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 วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่หนึ่งร้อยสิบเก้าอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่หนึ่งร้อยยี่สิบอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคารณะไม่เป็นคารินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่หนึ่งอยยี็อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวหาไม่เป็นชีวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัตชนะใช่อนุโลมปุจฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวหาไม่เป็นชีวินรีใช่ไหมวิจัตชนะใช่ปฏิโรมปุจฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิจัตชนะใช่หนึอยยอนุโลมปุชฌา สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอนุโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ หนึอยยอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียีไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมพิจัชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่หนึ่ง้อยี่สิบสี่อนุโลมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอิทธินรีใช่ไหมพิจัชนาอิทธินรีไม่เป็นอิทธิแต่เป็นอิทธินรีเป็นอิทธิและอิทธินรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอิทธินรียก็ใช่ปฏิโลมปุชชา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุณสีใช่ไหมพิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอิทธิสินสีใช่ไหมพิจัดชนาอิทธิสินสีไม่เป็นอิทธิแต่เป็นอิทธิสินสีเป็นอิทธิและอิทธิสินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอิทธิสนสีก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่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 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภวาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ละ <violet. S 1> อนุโล ja, มปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ หนึอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจเกขุณสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขขินทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 128อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินิสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิจัชนาะใช่หนึ่งอยี่สอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสสินสี <Allāh S 2> ใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอนญาตาวินทรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่หนึ่งอสอนุลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมานต์ไม่เป็นโทมานตินทรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนั์ไม่เป็นโทมานตินทรียใช่ไหม วิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอน ญ, ญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัตชนาใช่หนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบขาไม่เป็นอุเป ก, กินทรีใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัตชนาใช่ละ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบขาไม่เป็นอุเปกินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่หนึอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นศรัทธินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหม วิจัชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นศรัทธินิสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินรียใช่ไหมวิจัชนาใช่หนึ่งร้อยสามสิบสามอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่และอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่134อยสามสินุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินตรียใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโดมปุ palace, มปจฉา et, ifiers, สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนศีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่หนึ่งร้อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอนุโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธินรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่หนึ่งร้อนุโลมปุชฌาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินสียใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจัตชนาใช่ละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินทรียใช่ไหมพิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรียใช่ไหมพิจัตชนาใช่หนึ่งร้อยสามสินุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติ ไม่เป็นอนัญญาตัญญสสามีตินตรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชขาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุนตรีใช่ไหมวิจัชนาใช่และอนุโลมปุชขาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสสามีติไม่เป็นอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชขาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอนัญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ หนึอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญะไม่เป็นอัญญินสีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นจักขุญสีใช่ไหมพิจัชนาใช่ละอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญยะไม่เป็นอัญญินรีใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นอัญญาตาวินทรียใช่ไหมพิจัชนาใช่ หนึอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุญสีใช่ไหมวิจัชนาใช่และอนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ ไม่เป็นอัญญีช่ไหมวิจัตชนาใช่